ที่ทำจทนไดนะ้วันนี้ก็ถ้าการทำดีดุงโรกนะก็ปฏิบัติทมเลยวิธีเจริญสติกแบบเคลื่อนไหวก็น่าจะเกือบยี่สิบครั้งหรือก่อนฮะยี่สิ7เจ็ดหรือเปล่าสิบ <17. S 1> เจ็ดเราสิบเจ็ดก็ปีกว่านะ หลายท่านก็คงปฏิบัติมาหลายปีแล้วเนาะแต่ก็มีผู้ใหม่บ้างก็มีผู้เก่าบ้างก็มีนะเหมือนนักเรียนนักเรียนเก่ากับนักเรียนใหม่มาเรียนร่วมกันก็เป็นแบบนี้นะตั้งแต่ครั้งแรกนะแล้วก็มาก็ไปสอนในหลายที่ก็ก็เป็นแบบนี้ยทุกๆกครั้งก็มีทั้งคนที่เคยเคยเรียนเคยฝึกหัดปฏิบัติ นะหลายครั้งนรวมทั้ ง, นะงมีคนที่เคยเรียนใหม่ๆนะก็หลายคนบางคนครั้งนี้เป็นผู้ใหม่ครั้งต่อไปก็เป็นผู้เก่าแต่บางคนมาครั้งเดียวก็ไปก็มีมันจะแล้วแต่นะอนะนะแล้วแตนะ่เราก็เลือกไม่ได้เราก็บังคับไม่ได้ก็นะ อ, อยู่ที่เรานะจะเลือกชีวิตของเราอย่างไรหมายว่านะ ประเด็นสำคัญคือเราจะเลือกเป็นทางชีวิตของเราอย่างไรเราจะให้ชีวิตของเราที่เหลือมันเดินไปในแนวทางไหนใช่ไหมมันก็อยู่ที่การเลือกของเราเราเลือกเกิดไม่ได้นะแต่เราเลือกที่จะเดินทางอย่างไรในชีวิตของเราได้อันนี้มาว่าเป็นสิ่งที่ทสำคัญกว่า การเลือกเส้นทางชีวิตในในทางโลกนะเราก็อาจจะมีข้อจํากัดในการที่จะเลือกได้ไม่ได้อิสระเต็มที่หรอกนะเพราะว่าอาจจะโดยหน้าที่การงานอาจจะโดยอายุอาจจะโดยเงื่อนไขหลายๆอย่างแต่การเลือกชีวิตในทางในทางธรรมหรือในทางจิตใจนะเราจะสามารถมีอิสระในการเลือกได้ อยางเต็มที่เลยนะเลือกอย่างไรนะถ้าวิธีเลือกชีวิตเอาเอาทางหลักๆอย่สบทางนะเราเลือกอยากจะให้ชีวิตเรามีความสุขหรือเลือกอยากจะให้ชีวิตมีความทุกข์อันนี้ยเราสามารถเลือกได้นะมันไม่เกี่ยวกับความสุขหรือความทุกข์เนี่ยมันไม่ได้กเกี่ยวกับคนอื่นนะมันอยู่ที่ ที่การเลือกของเราเองแต่เราจะเลือกได้นะถ้าเราสามารถเป็นเป็นนายเหนือเหนือชีวิตเราจริงๆรนะแต่ถ้าเราไม่สามารถเป็นนายเหนือชีวิตเราได้จริงๆเราก็จะไม่สามารถเลือกได้คำว่าเป็นนายเหนือชีวิตคืออะไรคือว่าเราต้องสามารถเรียกว่าเป็นอิสระจาก กิเลสต่างๆได้นั่เราถึงจะเลือกได้นะอย่างแท้จริงน ะ, นะเพราะว่าถ้าเราไม่สามารถเป็นอิสระรจากกิเลสได้นะ่ะกิเลสก็จะเป็นคนสั่งเราใช่ไหมสั่งให้เราโกรธสั่งให้เรารักสั่งให้เราชังสั่งให้เราอยาไม่มีที่สิ้นสุดแต่ถ้าเราสามารถที่จ ะ, ะเป็นอิสระจากเขาเนี่ยเขาก็สั่งเราไม่ได้ลนะ กิเลสอาจจะสั่งให้โกรธนะแต่เราไม่โกรธตามเขาเนี่ยทําได้นะจริงยังเคยไหมกิเลสมันสั่งให้อยากเอานั่นเอานี้นะเราก็ไม่ทําตามความอยากของเขานะเขาก็ทําใดเราไม่ได้แล้วอืมอันนี้คือถ้าเรามีสติ ป, ปัญญานะเราจะเลือกได้นะเลือกที่จะทําตามเขาหรือเลือกที่จะไม่ทําตามเขานะ อันนี้คือเราสามารถเลอกได้แต่แต่จุดสำคัญคือเนะี่ยมันต้องมีสติมันต้องมีความรู้เท่าทันตัวเองถ้าเราไม่มีความรู้เท่าทันตัวเองไม่มีสตินะมันก็มันเลอกไม่ได้คือมันหลงเข้าไปเป็นกับเขาละก็เลยถูกเขาลากไปนะแต่ถ้าเรามีสตินะเราจะเห็นเขามันเห็นเขาละเห็นความคิดเกิดขึ้นมาเนี่ยจะดูความคิดก่อน ถ้าความคิดนั้นมันเป็นกุศลเราก็สามารถเลือกที่จะทำตามความคิดที่เป็นกุศลได้ถ้าความคิดนั้นเป็นอกุศลเราก็เลือกที่จะละไม่ทำตามเขาก็ได้ไมันเห็นก่อนนะเมื่อเห็นแล้วเราก็เลือกได้ว่าจะไปในเส้นทางไหนแต่ถ้าเราไม่เห็นนะเราก็จะถูกเขารากไป ล่าไปบางทีกุศลบางอย่างถ้าเราไม่เท่าทันมันก็ติดเหมือนกันนะเช่นความสุขนะเวลาบางคนทําสมาธิแล้วมันสุขเหมือนนะถ้าเราไม่เห็นนะเราก็ไปจมในความสุขแล้วก็ติดสมาธิติดความสบายนะหรือใจเราเป็นบุญนะอยากจะช่วยคนนั้นคนนี้อยากจะทํานั่นทำนี้ให้กับคนอื่นแต่ทีเราก็ทําตาม อนะารมณ์พวกนั้นนะ่ะบางทีก็ทำจนหลงก็มนะนะีตัดท่าจนไม่ไม่มีคำถามไม่มีอะไรก็ตัดทาแบบงงายก็มีเขาพาไปเข้ารถเข้าปมก็ไปกับเขาก็มีอันนี้คือถ้าตัดทาที่ไม่มีเป็นยาบางทีก็อหมดเนื้อหมดตัวก็มีหรือความสุขความสงบถ้าไม่มีสติไม่มีเป็นยาก็ก็นิ่ง แช่เนะี่ยทำเป็นแบบเหมือนไม่รู้สึกรู้สาอะไรกับโลกนี้แต่ที่จริงหลวงพ่อเทียนต้องบอกว่าควาสมสงบแบบนั้นเป็นควาสมสงบแบบแบบน้ำแข็งน้ำแข็งคือถ้ามันตั้งอยู่ในที่อากาศปกติหรือตั้งในที่กลางแจ้งสักพักหนึ่งเดี๋ยวน้ำแข็งก็ค่อยๆละลายไปเนะี่ยมันไม่สามารถที่จะอยู่ในสภาวะเดิมได้นานๆหรอกนะ มันก็ค่อยๆเสื่อมไปสมาธิก็เหมือนกันนะนะจะทําเก่งขนาดไหนก็มีก็มีวันเสือ่อมไม่มีวันที่จะอยู่ได้ตลอดไปแต่สิ่งที่เราจะฝึกกันเนี่กับฝึกเรื่องเรียกว่าฝึกให้มีความรู้สึกตัวเนาะคําว่ารู้สึกตัวเนี่ยเป็นคุญแจสําคัญในการที่จะทําให้เราเป็นอิสระเหนืออานาจของกิเลสได้ เราอาจจะไม่มีอิสระหเหนืออำนาจของมัตติราชได้อันนี้ไม่ใช่เรื่องของอิสระหเหนือความแก่ความเจ็บความตายทางร่างกายนะแต่เป็นเรื่องการมีอิสระหเหนืออำนาจของความทุกข์ของจิตใจได้ความโกรธสามารถเกิดขึ้นได้นะเราห้ามไม่ได้แต่เราเลืที่จะไม่ทำตามความโกรธก็ได้ความอยากก็เหมือนกันนะเราห้ามไม่ให้มัน ไม่อยากก็ไม่ได้นะมันอยากขึ้นแต่เราพอเห็นความอยากเราเลือกที่จะสนองความอยากหรือเราเลือกที่จะละความอยากเนี่ยเราเลือกได้ความคิดก็เหมือนกันนะเวลาเราปฏิบัติธรรมเนี่ยความคิดมันจะคิดขึ้นมาเองเนี่ยเราอ้างไม่ได้เราเลือกไม่ได้แต่เราเลือกที่จะคิดตามมันไปเรืเ่อยๆหรือเลือกที่จะไม่สนใจมันกลับมาสนใจกรรมฐานที่เราทํา เนี่ยเราสามารถเลือกได้ความพอใจความไม่พอใจก็เหมือนกันนะเราเลือกไม่ได้ <c oughs> เลือกที่จะชอบเลือกที่จะไม่ชอบเนะี่ยเราเลือกไม่ได้แต่เราเลือกที่จะไม่ทําตามอารมณ์นั้นๆเราสามารถเลือกได้ <c oughs> นั้นเวลาเราปฏิบัติทำนะเราอย่าไปเราอย่าไปให้ฆ่าหรือว่าอย่าไปอะไรกับที่ สิ่งที่มันเกิดขึ้นเนาะแต่สิ่งที่สาคัญคือเรามาดูท่าทีของเราที่มีต่อสิ่งนั้นสาคัญกว่าสิ่งที่เกิดขึ้นในชีวิตของเราในปฏิบัติธรรมก็ดีหรือในช่วงที่เราใช้ชีวิตปกติธรรมดาก็ดีนะมันมีอะไรเกิดขึ้นมาเนี่ยมันก็ถูกของมันอยู่แล้วน <c oughs> ะมันหิวก็ถูกแล้วมันง่วงก็ถูกแล้วมันคิดก็ถูกแล้ว มันชอบมันชังมันก็ถูกของมันตามเรียกว่าถูกตามเหตุตามปัจจนะัยน่ะถูกตามสิ่งที่มันกระทบมันก็ถูกอยู่แล้วแต่สิ่งที่สําคัญให้าเรารู้เท่าทันถ้าเรารู้เท่าทันเรามีสติเราจะเป็นผู้ดูเขาเราจะไม่เข้าไปเป็นกับเขาอันนี้คือสําคัญนยนะถ้าเรามีสติมีความรู้ตัวเนะย มันจะถอยออกมาเป็นผู้ดูเป็นผู้ดูกายที่หิวเป็นผู้ดูกายที่เจ็บนะเป็นผู้ดูใจที่สุขเป็นผู้ดูใจที่ทุกข์เป็นผู้ดูใจที่คิดนะเมื่อเราเป็นผู้ดูแบบนี้นนะสิ่งต่างๆนะั้นมันก็เป็นเพียงแค่แค่อากาศอย่างหนึ่งที่ถูกดูต่างไันละย น, น, นะมันจะมีผู้ดูกับผู้กับสิ่งที่ถูกดู สิ่งที่ถูกดูเนี่ยสารพัดมากมายเลยนะที่มันเปลี่ยนแปลงไปนะเป็นรู๋นะก็เป็นสิ่งที่ถูกดูเป็นจิตอาการของจิตนะสตากาศทีรียกว่าเจตสิกก็เปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆนะก็เป็นสิ่งที่ถูกดูตรงนั้นแต่ผู้ดูตรงเนี้ยนะสำคัญแค่ว่าผู้ดูที่เรา เรียกว่ า, ม, ามันจะไม่สร้างนะเป็นการระลึกได้ของจิตใจขึ้นมาเนะี่ยมันเป็นผู้ดูด้วยความเป็นกลางไหมเป็นผู้ดูด้วยความตั้งมั่นไหมเป็นผู้ดูกับดูเฉยๆไหม น, นี่สำคัญที่สุด น, นะบางทีถ้าเราดูอารมณ์แล้วบางทีเราพูดว่าเราดูเราเห็นเรารู้แต่ถ้ามันยังเจอด้วยความความอยากน ะ, น ะ, นะเช่นมันคิด ไม่อยากให้มันคิดนะแล้ว่าดูนะแต่คือคกอแวเราก็ไม่อยากให้มันคิดมันโกรธนะเราก็เห็นความโกรธแล้วนะรู้ความโกรธอันนี้พูดแบบประการโลกโลกแต่ที่จริงเราก็ยังเชื่อความรู้สึกว่าไม่อยากมันโกรธนะรู้สึกไม่ดีที่มันโกรธนะมันก็คือเป็นการไม่ใช่ดูเฉยเฉยไม่รู้ซืนะ่อๆะมันรู้แต่มันอยากนะที่อยากจัดการ อยากให้มันไม่เกิดขึ้นอยากให้มันหายไปเร็วๆอันนี้คือผู้ดูของเราเนี่ยแหละมันไม่เป็นกลางมันยังเชียร์คล้ายๆเหมือนกับเหมือนผู้ดูกีฬาเนาะถ้าเราเชียร์ข้างใดข้างหนึ่งเนี่ยเนข้างไหนคะแนนนาข้างไหนชนะเนี่ยราก็ดีใจปูข้างไหนคะแนนตางข้างไหนแพ้เราก็แซบนะเพราะอะไร เราเป็นผู้เชียร์เชียร์ข้างใดข้างหนึ่งนักปฏิบัติธรรมส่วนใหญ่ก็เชียร์ข้างสุขเกลียข้างทุกข์มองมองความทุ ก, กข์มองด้านอกุศลเป็นเป็นศัตรูมองด้านสุขมองด้านดีเป็นเป็นฝ่ายที่เราชอบฝ่ายที่เราเชียร์อันนั้น ในทางโลกมันเป็นมีผู้ชมมีผู้เชียร์แบบนั้นแต่ในทางคำอย่างไรเราถึงจะเป็นการที่จริงนะเป็นเหมือนกรรมการนะที่ไม่โดนไม่โดนเขาไม่ไม่ลาเอียงนะ <c oughs> เป็นแบบกรรมการนะทําหน้าที่เป็นเพียงแค่ผู้ดูเฉยเฉยเขาแพ้พนะเขาชนะก็เป็นเรื่องตามเกมตามเหตุตามปัจจัยเราก็ไม่ได้เสียใจไม่ได้ดีใจไปกับเขาอันนี้คือ เราจะทำอย่างไรให้ใจเราเป็นกลางกับกับสิ่งที่เกิดขึ้นกับกายกับใจเนะี่ยแจริงๆนี่แหละสำคัญที่สุดเพราะนั้นสิ่งที่อยากจะบอกก็คือว่าให้ตัวสิ่งที่เกิดขึ้นให้ให้ดูให้เห็นนะจะเป็นกุศลเป็นอกุศลเป็นอะไรก็ได้แต่ไม่สำคัญนะสำคัญที่ว่าตัวตัวผู้ดูตัวผู้รู้ตัวเนี้ยนะมันเป็นกลางมันมีสติมัน มันไม่หลงไปชอบไม่หลงไปชังไม่เอาความอยากไม่เอาความไม่อยากไปจัดการหรือเปล่าถ้าตัวผู้ดูตรงนี้ยมันเป็นการจินมันจะเป็นการดูแบบซื่อๆนะดูแบบไม่มีไม่มีภาคไม่มีฌานไม่ต้องไปวิเคราะห์ไม่ต้องไปสงสัยเขาแค่รู้เฉยๆถ้าเรารู้เฉยๆนะอารมณ์ต่างๆมันจะมันจะมันจะเกิดดับให้เราเห็นนะ ความคิดสงสัยเช่นความสงสัยเกิดขึ้นมันเกิดขึ้นมาแล้วรู้เฉยๆนะความสงสัยมันก็ดับนะความชอบเกิดขึ้นมาก็เหมือนกันเช่นไปเห็นเสื้อผ้า น, นะสมมติเราไปเห็นเสื้อผ้าตอนนี้ชอบต้องดูเฉยๆดสิเพาะบางทีเดินผ่านไปสองสามเก้าไอความชอบมันก็หายไปแล้วนะอืมแต่อันนี้ย เราจะเห็นนะยเดินผ่านัวนี้รู้สึกถูกชีต า, าน่าินสะดุดไปสักพักหนึ่งนะสักพักหนึ่งเดี๋ยวความรู้สึกนั้นมันก็ดับไปความโกรธควไม่พอใจก็เหมือนกันมันไม่ได้อยู่ทั้งวันทั้งคืนหดันะมันมีแต่เรมันมีแต่สิ่งที่เกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปนะถ้าเราดูเฉยๆเราจะเห็นมัเนี่ยเห็นการเกิดขึ้นเห็นการตั้งอยู่แล้วก็ดับไปนะทุกๆอย่างนะทุกๆอารมณ์นะ มันจะเป็นแบบนี้นะมันเป็นแบบนี้เราก็แค่ดูไปเฉยเมื่อเราดูไปเฉยนะเราจะรู้สึกว่าเอ๊ะมันก็เป็นเพียงแค่แค่อาการศ <c oughs> มันเป็นเพียงแค่อากาศนะมันไม่ใช่เราถ้ามันเป็นเรามันคืออะไรถ้าเป็นเราเราก็ต้องสั่งได้สิเอถ้าเป็นเ ร, เราก็ต้องจัดการได้สิใช่ไหมแต่นี้เพราะมันไม่ใช่เราเราก็เลยสั่งไม่ได้ขามันปวดเนี่ย สั่งให้มันไม่ปวดได้ไหมใช่ไหม ม, มันปวดหงวงนะัวเนี่ยสั่งให้มันหายปวดได้ไห ม, มก็สั่งไม่ได้อารมณ์ก็เหมือนกันอารมณ์มันจะไม่ดีนะเราก็สั่งไม่ได้นะอารมณ์มันจะโกรธเราก็สั่งไม่ได้นะแต่ถ้าเราเป็นผู้ดูเฉยๆเนะี่ยเราจะเป็นเหมือนผู้ผู้ผู้ที่เห็นมันโดยที่มันก็ตินแค่ที่เกิดขึ้นนะ ผ่านมาผ่านไปเท่านั้นนั้นเราไม่ต้องไปจัดการอะไรกับมันนะพอดูเฉยๆเนะี่ยมันจะรู้สึกมันไม่มีน้ําหนักเลยนะอ่าไม่มีน้ําหนักคล้ายๆเหมือนเราอยู่บนยอดตึกนะดูรถเขาวิ่งรถสี่เลนหกเลนอะไรก็แลวต่วิ่งไปมาเนี่ยเราไม่เหนื่อยแต่ถ้าเราไปเป็นจราจรกางสี่แยกเนี่ยจะเหนื่อยนะอ่าต้องคอย โบกรถคอยข้ามรถเนะี่ยตลอดเวลาเลยนะทํางานตลอดเวลาเลยนะปัญหาของเราส่วนใหญ่นะเรามักไปจัดการความคิดไปจัดการอารมณ์แบบพล็อคทำตามความชอบทำตามความไม่ชอบของใจนะแต่ถ้าเราดูเฉยๆนะอารมณ์ทุกอย่างมันจะเป็นครูทั้งนั้นเลยนะครูที่แสดงความจริงให้เห็นว่ามันไม่เที่ยงแบบไหน ครูที่แสดงความจริงให้เห็นว่ามันเป็นทุกอย่างไรนะครูที่แสดงความจริงให้เห็นว่ามันบังคับบัญชาไม่ได้มันไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ของเรานะมันจะแสดงตัวนี้นให้เราเห็นถ้าเราเห็นตัวนี้ที่มันเกิดขึ้นในตัวเราเองนะในกายใน ใ, นใจเนะี้ยเราก็จะเข้าใจคนอื่นไปทุกอย่างเลย <c oughs> ความสงสัยความลังเลก็หมดไปเพราะอ้อทีนี้เกิดขึ้นในร่างกายนี้ใ น, ในใจนี้ มันก็ไห้ต่างกับสิ่งที่เกิดขึ้นกับร่างกายคนอื่นในจิตใจคนอื่นมันก็ก็เป็นสิ่งเดียวกันมันจะเข้าใจที่จริงแล้วธรรมะธรรมชาติทุกอย่างมันก็คือสิ่งเดียวกันทั้งนั้นเลยนะไม่ได้แบ่งแยกว่าเราว่าเขาเพราะธรรมชาติที่จริงแล้วมันก็คือสิ่งเดียวกันนะการปฏิบัติธรรมก็เหมือนกันเราจะไม่สงสัยว่าวิธีการตรงนี้รูปแบบแบบนี้ คูบาาจารย์รูปนั้นรูปนี้สอนถ้าเป็นนะเป็นวิธีการที่ถูกต้องถูกทางก็ต้องส อ, สอนสิ่งเดียวกันนี่แหละสอนไปสู่ตรงไหนสอนให้เห็นความจริงของกายของใจสอนให้เป็นะปสู่ความไม่ยึดมั่นถือมั่นไปสู่ความไม่ทุกข์นั่นแหละมันก็เป็นสิ่งเดียวกันไม่สงสัยเลยนะจะรูปแบบไหนก็ได้คำ ส, สอนแบบไหนก็ได้ ถ้ามันเป็นไฟเพื่อเหมือนคล้ายๆให้เราย้อนกับมาเห็นตัวเองนะมันมีกระจกแล้วก็ทําให้เรากลับมาดูตัวเองเห็นสิ่งที่เัเกิดขึ้นนะ่ะต่อตัวเองจริงๆนะมันก็ทําให้เราชัดเจนกับตัวเราเองมันก็ชัดมันก็ชัดเจนกับสิ่งอื่นไปด้วยนะอันนี้สิงอเราจะไม่สงสัยเราจะมั่นใจว่าอืมมันเป็นแบบนี้นี่เองนะแต่ก็มันก็มีหลายรูปแบบตามวิธแบบแบบีการซึ่ง มาเชื่อเชื่อว่าหลายคนก็คงเคยลองมาหลายวิธีมาบ้างนะที่จริงถ้าเราเข้าใจหลักจริงก็ไม่แตกต่างกันนะถ้าอย่างกายนะถ้ากายมันก็มีหลายรูปแบบหลายวิธีแต่ถ้าโดยดหลักกแล้วอย่างมันก็อาศัยเนี่ยเช่นลมหายใจเข้าลมหายใจออกอานาปานสตินะแล้วก็สือการเคลื่อนไหวของของลมหายใจจะหรือว่า อิเดยบที่สี่ก็ยืนเดินนั่งนอนก็คือการการเคลื่อนไหวของอิียบทใหญ่ของร่างกายหรืออิเดียบที่ย่อยนะสัพพัญญบพระนะคูเหยียดเคลื่อนไหวนุ่มสบงทรงชีวรกินดื่มขับทายก็คือที่จริงหลักๆก็คือว่าการเคลื่อนไหวของร่างกายนะการเคลื่อนไหวของร่างกายเนี่ยเอามาเป็นเครื่องมือ ในการฝุกสตินะแต่ก่อนเราเคลื่อนไหวฟรีเคลื่อนไหวฟรีก็คืออะไรเราก็แค่ทาเหมือนทําให้มันเสร็จทางโลกนะแปมปันก็คือให้มันแปงให้มันเสตนะในวันละสองสาคนะรั้งนะกินข้าวก็เหมือนกันเราก็กินให้มันให้มันอิ่มนะเราเดินก็เดินให้มันถึงนะอันนี้คือเราเราทําสําเร็จในทางโลกนะทุกคนก็ทำสำเร็จในทางโลกมาเยอะแยะมากมายเนาะ แต่คำว่าทำฟรีๆก็คือเนี่ยเราก็เกาแค่สาเร็จในทางโลกให้มันเสร็จไปฟรีๆกวาดบ้านเราก็อยากให้มันสะอาดเราก็บ้านเราก็สะอาดก็จริงแต่ถามว่าเราทําด้วยการมีสติรู้สึกตัวหรือเปล่าในขณะที่ทําตรงนั้นมันถ้าเราถ้าจะดีนะเราก็ทําแบบให้สําเร็จทั้งทั้งทางโลกด้วยทั้งทางธรรมด้วยกนะวาดบ้าน บ้านก็จะอาจใจเราก็รู้สึกตัวไม่หงุดหงิดนะไม่ฟุ้งซ้านนะกินข้าวแล้วก็อิ่มท้องนะได้กำลังแล้วก็อิ่มใจจากติ๊กนะจากความรู้สึกตัวนะเดินก็เหมือนกันเดินแล้วก็ถึงเป้าหมายนะที่เราต้องการไปถึงแต่ขนาทุกย่างก้าวเราก็มีความสงบ มีความอตื่นรู้ในทุกยาง่ก้าวที่เราเดินนั่นเราสามารถทาทั้งสองส่วนควบคู่กันไปด้วยกันได้แล้วที่จริงถ้าถ้าเรามีสติมากํากับในการใช้ชีวิตน ะ, ะมันก็ยิ่งมีคุณภาพมากกว่าเก่าอย่างเราเคยเดินขึ้ น, ขนเขาไนหะมบางทีเราเคยเดินขึ้ น, ขนเขางที่เห็นพวกวัยรุ่นนะเขาก็นองนะ ชอบวิ่งขึ้นชอบวิ่งขึ้นชอบวิ่งลงนะแต่วิ่งไปสักครั้งหนึ่งก็ก็ต้องหยุดมันเหนื่อยนะเขามีกําลังแข็งแรงแต่เอาค่อยจริงคนที่ทำํำแบงนั้น่กลับถึงเป้าหมายช้ากว่าคนที่เหมือนค่อยๆเดินแบบค่อยๆเดินอย่างมั่นคงไปทีละกนะ้าวเขาเร็วในการวิ่งก็จริงแต่เขาก็ช้าในการพักนานกว่าจะวิ่งได้อีกรอบหนึ่ง หรือใจเราเองก็เหมือนกันบางทีใจเราร้อนเราก็เดินแบบเร็วๆบางครั้งมันก็ถึงเป้าหมายได้เร็วก็จริงแต่หลายครั้งเราก็สะดุดเราก็หอบลมเนี่ยก็เสียเวลามามาทําแผลมาเช็คตัวอะไรต่างหรืองานหลายอย่างที่เรารีบเร่งทำให้มันเสร็จเร็วๆสังเกตไหมเราก็ต้องกลับมาแก้ไขเยอะนะเนี่ยเราอ่านหนังสือเราอยากจะอ่านให้มันจบเร็วๆ แต่พออ่านจบแล้วก็ยังไม่เข้าใจอ่ะต้องกลับมาอ่านใหม่อีกรอบหนึ่งเลนะมันเหมือนยิ่งเราพยายามจะทําอะไรให้มันเสร็จเร็วๆให้มันจะได้ไม่ต้องทําอีกแต่หลายครั้งเราก็ต้องกลับมาทําอีกอืเพราะว่ามันมันไม่เรียบร้อยมันยังไม่เข้าใจจริงๆนะแต่ถ้าเรามีสติในการทํางา น, นเราจะถ้าเราเดินนะอย่างเดินเราก็จะเดิน ไปเรื่อยๆนะไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆมันจะพักน้อยแต่มันก็แล้วมันก็จะเหนื่อยน้อยกว่าการที่เราเรีบเดินนะทํางานก็เหมือนกันถ้าเรากวาดบ้านไปแล้วก็กวาดไปยังมีสติอาจจะไม่เสร็จแบบเร็วนะแต่มันก็แต่มันก็ค่อยงเรียบร้อยก็สะอาด ก, กว่าไม่ต้องมาเก็บกวาดใหม่อีกรอบหนึ่งอนะไรแบบนี้แล้วอีกอย่างคือใจเราก็จะไม่เสียด้วยถ้าเราทำเนื่องขาดสตินะ ที่ทําไปบนไปเนี่ยเหนื่อยทั้งกายเหนื่อยทั้งใจใช่ไหมอืมบางคนมีลูกเนี่ยก็บ่นลูกบางคนมีสามีก็บ่นสามีบางคนมีภรรยายก็บ่นภรรยายน่ะแต่ไม่ค่ยบ่นตัวเองนะใช่ไหมไม่คยบ่นตัวเองว่าเออบางทีเราเองก็มีส่วนทําให้รอกนั่นแหละนะหรือไม่กลับมาดูว่าตัวเองก็บ่นแล้มันได้อะไรเใี่ยบ่นแล้วก็ต้องทาเหมือนเดิมเสมอนะถ้าต้องทำใช่ไ้ยอืมไม่กลับมาดูว่า เอฟการบ่นเนี่ยทําให้รนเราเสียพลังงานนะเสียอารมณ์ด้วยใช่ไหมอันนี้คือคนไม่เห็นความทุกข์ก็เลยทําแบบทําแบบทําไปด้วยทุกไปด้วยแต่ถ้าเราเห็นความทุกข์นะเราจะเห็ น, อนเนออ เ, เราบ่นมันเป็นทุกข์เราโกรธมันก็เป็นทุกข์ใช่ไหมเนี่ยถ้าเราเห็นว่ามันเป็นทุกข์จริงๆนะที่พระเจ้าบอกถ้าผู้ใด เป็นทุกอย่างแจ่มแจ้งนะ่ะย่อมจ่อมเบื่อหน่ายแล้วก็คลายกำหนัดในสิ่งที่มันเป็นในตอนนั้นนะมันจะพอถ้าเราเห็นความโกรธอย่างแจ่มแจ้งนะเราจะไม่เอาความโกรธแต่ที่เราบอกรู้ว่ามันโกรธแล้วมันยังโกรธอยู่เนะ่ะเพราะอะไรเรายังไปเอามันอยู่อืหรือเราไม่เอาความโกรธตัว น, นั้นแล้วก็เอาความโกรธตัวเองเนี่ยแหละที่มันทําำไมมันโกรธ ก็สุโกรธตัวเองที่มันโกรธนี่นะไม่พอใจตัเองที่โกรธมันก็ยังเอาความโกรธตัวอื่นอยู่เหมือนไปมันไหม้เลยนะแล้วก็โยนไม้ก็ไปคิดว่าไม้นี้เป็เจดไปดับไฟเนะแต่จริงไม้ก็ยิ่งเติมเชื้อไฟเข้าไปหรืออะไอันนี้คือสิ่งที่ ท, ที่เราทํานะแต่สิ่งสำคัญเนี่ยที่ว่าเราเอา ก, การเคลื่อนไหวนะการเคลื่อนไหวในชีวิตประจําวันก็ดีนะ คือการเคลื่อนไหวที่เราสร้างรูปแบบขึ้นก็ดีเอาการเคลื่อนไหวมาเป็นเครื่องมือในการให้เรามีสติให้เรารู้สึกตัวนะถ้าเราเอาการเคลื่อนไหวเป็นเครื่องมือเป็นอุปกรณ์ได้นะเราจะมีโอกาสในการมีสติได้ทุกวินาทนะีหรือมากกว่าทุกวินาทีก็เน้นเสี่ยววินาทีนึ่งไปก็เรียกว่าอะไรีไมนะ เรียววินาทีลงไปบางครั้งนะวินาทีหนึ่งบางกีมันก็รู้มากกว่าหนึ่งครั้งก็มีนะอืมแต่ประมาณว่าโอกาสทุกขณะนะทุกขณะจิตนั่นแหละนะให้ไว้ไปทุกขณะจิตนั่นแหลนะมันเป็นโอกาสในการที่เราจะรู้สึกตัวได้นะอันนี้ถ้าเราจฉลาดนะเราเอาเครื่องมือพวกนี้นเป็นการฝึกสตินะทุกครั้งที่มีการเคลื่อนไหวให้เรารู้สึกตัวนะ เราทําอะไรก็แล้วแต่ที่เป็นการเคลื่อนไหวของด้างกายให้เราคอยเห็นเห็นหน้ากายกเขาเคลื่อนไหวตัวเห็นคืออะไรตัอเห็นคือใจที่เห็นกายเคลื่อนใจเห็นกายทําอะไรใจรู้เนี่ยคือแต่ยิบทบทใหญ่นะยืนเดินนั่งนอนก็ได้หรือยิบดย่อยนะจิตตามีการตจิตตาเขรู้สึกได้อื ม, มีการทะยักหน้า ก็รู้ส no ึกได้ไม่ต้องมีบทย่อยต้องยกมือติดสี่จังหวะนั้นนิดนิดหน่อยหน่อยเิดนึงน่อยหน่อยเห็นการเคลื่อนไหวนิดหน่อยของร่างกายเนก็เป็นการมีสติได้ตรงนั้นเลยนะใช่ไหมโยมพูดกับคนโยมนั่งนิ่งหรือเปล่ไม่ได้นั่งนิ่งนะขยับปากก็มีสติได้ใช่ไหมจริงจริงนะอืม มันก็ทุกการเคลื่อนไหวแหละเราสามารถมีสติเข้าไปตรงนั้นได้อันนี้คือสติที่เราดูทัาสางกายที่เคลื่อนไหวอีกส่วนหนึ่งมันก็ไม่ใช่ที่มันเป็นตัวที่มันจับต้องไม่ได้ปิดใจปิดใจใจมันก็มีความเคลื่อนไหวเหมือนกั น, นใจมันไม่ได้นิ่งตลอดเวลาหรอกใจจะมันไหวนยเช่นไหวไปเกิดความคิดนะ ไหวจะเกิดอารมณ์เป็นสุขเป็นทุกข์เป็นพอใจเป็นไม่พอใจอ่าหรือใจมันก็ไหลออกไปในการมองเห็นหรือใจมันก็ไหลเคยไหมเพื่อนก็คุยกันไปสนใจไปฟังเขาสนใจไปฟังเขาก็พูดอะไรกันเลยนะอืเนี่ยคือใจมันไหลไปนะใช่ไหมหรือใจเราก็ไหลไปคดีใช่ไหมนั่งอยู่ตรงนี้นะเนีย ไปคิดเรื่องอดีตหือบางคนก็จะได้ไปเที่ยวต่างประเทศใจไปเที่ยวก่อนนะไหลไปก่อนนะอหรือบางคนใช่ไหมวันสุกเนะี่ยตอนเย็นไก้คิดว่าจะไปเที่ยวไหนนะคือใจมันไหลไปบางทีก็ไหลไปอดีตไหลไปนาคตรหรือบางทีก็ไหลไปข้างข้างตัวเราเนี่ยแหละในปัจจุบันเนี่ยนะไหลไปข้างๆก็ได้มันก็ไม่ได้จิตนะมันเกิดของมัน เราก็ผิดแค่รู้ทันการที่รู้ทันว่าใจมันไหลไปก็คือมีสติเหมือนกันนะอืมไม่ใช่ว่าเราจะต้องบังคับให้มันอยู่นิ่งๆนะบังคับให้มันไม่คิดบังคับให้มันไม่มีอารมณ์อะไรการที่ใจจะไหลการที่ใจจะคิดการที่ใจจะไปอดีตไปอนาคตเป็นสิ่งที่เราบังคับไม่ได้แต่ส่งที่เราทำได้คือ เราแค่รู้เท่าทันเขาเมื่อเรารู้เท่าทันแ่ะเหมือนเราทักเขาอ่ะนะทักแั้วนะเมื่อแล้วมันทักมันจะกลับมาเอ่มันจะกลับมามันเองคล้ายๆเหมือนทักแค่ทักก็มันโดดเลยเนาะเนี่ยมันจะกลับมามันเองแค่รู้เท่าทันมันมันจะกลับมาเนี่ยก็คือการมีสติรูปแบบหนึ่งนะคําว่ารู้สึกตัวเนี่ยตัวเราไม่ใช่ร่างกายเท่านะ้ตัวคือแบบส่วนที่ประกอบเลย ร่างกายแล้วก็จิตใจนะรู้สึกถึงร่างกายที่เคลื่อนไหวก็คืออุปกรณ์ในการสุกสติรู้สึกถึงจิตใจที่มันไหลก็คืออุปกรณ์ในการสุกสติทางนั้นดังนั้นที่จริงในคิ้ของเรากระดดทั้งวันทั้งคืนก็คือเรื่องราวในการที่จะทําให้เรามีสติได้นะเมื่อเรามีสติได้แบบเนี้ยเราก็ค่อยฝึกไปเห็นกายกายเคลื่อนใจรู้ เมื่อกี้ใจคิดก็มีใจหมืองที่รู้ใจมันสุขก็มีใจหมืองที่รู้ว่าใจมันสุขเมื่อเราสุขแบบนี้เรื่อยมันจะเป็นการแยกแยกสิ่งที่รู้กับสิ่งที่ถูกรู้แยกว่าอ า, าการของกายเป็นแบบนี้อาการของใจเป็นแบบนี้สติที่รู้เฉยๆเป็นแบบนี้มันจะแยกไปไเรื่อยเราก็จะเกิดการแยกรูปแยกานามแยกธาตุแยกคั น, น เข้าใจเรื่องขันทั้งห้าเป็นอย่างไรอยู่เนี่ยมันก็จะไปเห็นว่าที่จริงส่วนประกอบของชีวิตมันเป็นเพียงแค่แค่นั่นแหละแค่ธาตุแค่ขันเท่านั้นที่มาประกอบกันแต่ถ้าเราไม่เห็นเรามันจะแยกไม่ได้ว่าคําว่ามันไม่ใช่เราอย่างไรเนาะมันจะรู้สึกว่าทั้งกายทั้งใจนี่มันเป็นเรามันเป็นเราเนี่ยตั้งแต่เราเกิดใช่ไหมเปลี่ยนต่เราโตขึ้นมาเป็นยุบแบบนี้ที่จริงมันก็แสดงให้เราเห็นว่ามันไม่ใช่เราเนี้ยหน้าตาตอนเด็ก กับตอนนี้เหมือนกันั้ยใช่ไหมจิตใจตอนเด็กกับจิตใจตอนนี้มันเหมือนกันไหมแต่เราคิดว่ามันเป็นเราที่พัฒนาแต่จริงมันเป็นแค่ทิ่งนี้มันเสืบอมเนื่องเฉยๆนะที่จริงมันไม่ใช่เราจริงๆหรแต่ถ้าเราเห็นมันจะเป็นเพียงแค่อาการเพราะที่จริงอาการขอนก็ะพุของมันนะถูกอย่างไรมันมีรูปนะ มันก็ต้องเป็นแบบนี้ของมันตามธรรมดามันก็ต้องมีการโตขึ้นมาพัฒนาบ้างเสื่อมบ้างตามเรื่องของรูปนี่ถูกแล้วนะมีเวทนาก็เหมือนกันมีเวทนาก็ต้องมีสุขมีทุกข์มีเฉยมันก็ถูกของมันอยู่แล้วมีสัญญานะ่ะมันก็มีจําได้นะระลึกได้นะ เรื่องอดีตที่เคยเจ็บมันแลก็ได้มันก็ถูกนะไม่ใช่ว่ามันจะต้องลืมแบบจำไม่ได้นะมันจำได้แต่ก็มีสัญญาที่จำไม่ได้แล้วมีมันก็ถูกของมันนะมีสังขารที่คิดนึกปรุงแต่งได้มันก็ถูกเราคิดนึกปรุงแต่งไม่ได้เราก็ทํางานไม่ได้เหมือนกันนะใช่ไหมเราก็พูดไม่ได้ไม่มีไม่ใช้สมมุติได้เป็นนะปรุงไม่เป็นเป็นคำพูดไม่ได้มันก็ มันก็ถูกแล้วนะต่างหากมันทํางานนามม่าทำงานก็ถูกแล้วมีวิญญาณการรู้นะตาที่รู้เนี่ยเรียกว่าจักษุวิญญาณตาที่เห็นมันไม่มีก็แปลว่าคนตาบอดนะนะคือหูไม่ได้ยินเสียงก็คนหูหนวกแต่เรามีมันก็ถูกอยู่แล้วนะงั้นการมีขันทั้งห้าเนี่ยมันก็ถูกแล้วแต่สิ่งที่เราลหลงรับผิดก็คือเราไปคิดว่ามันเป็นเรา น่ะมันเป็นของของเรานะถ้าเราเป็นคิดว่าเป็นเราเป็นของของเราเราก็เลยรู้สึกห่วงแหนเรารู้สึกว่าอยากจะให้มันดีนะเรารู้สึกอืมอยากจะบังคับมันให้ได้แต่ที่จริงถ้าเราเห็นว่ามันเป็นเพียงแค่เรื่องราวของของธาตุของขันนั้นนะนะมันก็แค่ใช้น่ะเรามีรูปเราก็ใช้รูปน่ะในการทําความดีน่ะ เราใช้รูปในการฝึกสติ <c oughs> เรามีนามเหมือนกันมีนามในการทำงา น, นใช้ในความคิดใช้ในการเกี่ยวข้องกับผู้คนรวมทั้งมีนามในการทำความดีใจที่เป็นกุศลก็ใช้ในการช่วยเหลือคนอื่นใจที่มีความห่วงใยมีความนาับกือคนก็ใช้ในการช่วยเหลือผู้คนเนี่ยก็สู่ของมันมอยู่แล้วนะหรือแม้แต่ใจที่มันหลงก็เหมือนกัน ใจที่มันหลงโกใจที่มันหลงคิดเราก็ใช้ในการมีสติรู้เท่าทันนะรู้เท่าทันว่าอะไรเราจะมีความหลงอยู่เยอะเราังต้องฝึกอยู่เยอะเราต้องพัฒนาอยู่เยอะความหลงก็ดีนะทำให้เราไม่หลงตัวใชถ้าคนที่ไม่รู้ว่าตัวเองหลงไม่รู้ว่าตัวเองมีอะไรไม่ดีในใจนยอาจจะเกิดที่หลงตัวหลงตัวล้วไง ลงตัวว่าเราดีอยู่แล้วลงตัวว่าเราน่ะน่ะไม่ทุกข์แล้วน่ะลงตัวว่าเราไม่ต้องมีอะไรแก้ไขแล้วแต่ถ้าใครที่มีสติน่ะจริงจะเห็นตัวตลงเยอะนะ่ะน่ะแรกๆก็เห็นตัวตลงแบบหยาบๆต่อไปก็หลงที่มันละเอียดขึ้นน่ะแต่แต่ก่อนเราคิดว่าดีมันก็ดีแล้วน่ะแต่ไปก็จะเห็น ดีมันยังมีตัวติดดีก็มีร <c oughs> ู้แต่ก่อนเราก็คิดว่ามันดีต่อไปก็เห็นให้ตัวติดรู้มันก็มีเหมือนกันนะคิดว่าเราเก่งเราก็คิดว่ามันดีแต่พอว่าม่เห็นวนะ่าที่จริงไม่ใช่ว่าเรานะีกูเก่งเราไปยึดนะเราเก่งเราดีเราแน่มันก็เป็นตัวที่ทำให้เกิดความทุกข์เกิดตัวตนขึ้นในจิตใจเหมือนกันเนะี่ย พอเราเห็นบ่อยๆนะมันจึงของมันความหลงนี่มันเยอะแยะมากมายเลยนะแต่ยิ่งเห็นความหลงบ่อยกับยิ่งนะกับยิ่งเรียกว่าเป็นอิละเป็นความหลงได้เยอะขึ้นมันเหมือนกวาดบ้านยิ่งกวาดบ้านไปเท่าไหร่ยิ่งเห็นฝุ่นที่มันเยอะขึ้นในการกวาดบ้านบ้านเรากับยิ่งสะอาดยิ่งซักผ้าเท่าไหร่น้ํายิ่งดําเนี่ยเสื้อเราจะยิ่งสะอาดใช่ไหม แต่ถ้าเราซักก็มันไม่ดำน้ำไม่ดำนี่ไม่ดูซักุนหรือเปล่านะนั้นถ้ากวาดบ้านไม่เห็นฝุ่นเนไม่แน่ใจว่าตั้งใจกวาดจริงหรือเปล่านะมันก็แค่กวาดที้เศษๆเฉยๆนั้นการภาวนาก็เหมือนกันยิ่งเห็นกิเลสจะีย้ว่ายิ่งถูกทางก็ได้นะไม่ใช่ว่าภาวนาแล้วน่ะมันมีแต่สงบอย่างเดียวมันมีแต่สบายอย่างเดียว ไม่แน่ใจว่าถูกทางหรือเปล่านะแต่ถ้าภาวนาไปแล้วยิ่งเห็นกิเลสนะมันแสดงตัวตนขึ้นมาให้เห็นเนะี่ยิ่งถูกทางนะไม่ใช่ไม่ใช่สิ่งที่มันผิดทางนะแต่มันสําคัญคือเห็นนะเห็นแต่ถ้าเรากิเลสเกิดขึ้นมาแล้วเราเข้าไปเป็นนะั้นก็หลงทางไปอีแบบหนึงนะ่งแต่ถ้าเรามีสติเราจะเห็นเห็นเนี่ยคือเครื่องมือที่สําคัญนะคือการ มีสติให้กับตามความรู้สึกตัวแล้วก็จะค่อยๆเห็นเห็นสิ่งที่เกิดขึ้นกับรูปเห็นสิ่งที่เกิดขึ้นกับนามนะเห็นกิเลสนะ่ะมีสติเป็นผู้เห็นกิเลสเขาครอบงาําจิตไม่ได้จิต ก, ก็จะเป็นอิสระจากนะจากกิเลสที่จะมาครอบงาได้อันนี้คือชีวิตที่เราเลือกได้ชีวิตที่จะเลือกนะที่จะมีชีวิตอย่างไม่ทุกข์นะหรือจะเรียกว่า ชีวิตที่มีความสุขอย่างแท้จริงเนี่ยนะเป็นสิ่งที่เราเลือกได้เนานะสิ่งที่เราสามารถที่จะสร้างได้นะด้วยกรรมของเราเองนะนะกรรมไม่ใช่ว่าเจ้ากรรมนายเวรนะกรรมคือสิ่งที่เราทํำนี่แหละนะการกระทําของเราเนี่ยแหละกรรมฐานเนี่ยะจะเป็นตัวสร้างกรรมของเราเองนะไดขีดชีวิตเราเองเปลี่ยนได้เป็นตัวของเราเองนะ เปลี่ยนความทุกข์เป็นความไม่ทุกข์ได้ได้วยตัวของเราเองนะเปลี่ยนความหลงเป็นความรู้ในตัวของเราเองนะเปลี่ยนความโกรธเป็นความไม่โกรธด้วยตัวเราเองนี่สุดกรรมจริงๆคนที่มีสนตะิมี zy, มปัญญาเป็นผู้ที่อยู่เหนือกรรมตรงนี้แหละคำว่าเหนือกรรมเนี่ยคือเนี่ยสามารถกําหนดกรรมด้วยตัวเองได้เหนะมือนคนที่อยู่ใกล้อ การสวนะิตไฟเนี่ยกําหนดได้จะเปิดจะปิดไฟได้เป็นคนที่ถือรนะีโมทเนี่ยจะเปลี่ยนช่องก็เปลี่ยนได้เอจะปิดก็ได้เปิดก็ได้มันกําหนดได้ตรง น, ะ น, น, นี้แต่ถ้ารีโมทมันอยู่ที่คนอื่นนะเราต้องไปขอเขาไปอ้อนวอนเขาไปบอกเขาให้เขาทําอันนั้นเป็นแบบเป็นกรรมแบบแบบไปขอคนอื่นเนาะ <c oughs> มันก็ไม่ถูกนะแต่กรรมต้องเป็นสิ่งที่เราทําเองทําเองได้นะ กรรมฐานจริงๆคือตรงนี้นะะ่ะก็จะวิคิดชีวิตของเราได้แต่ไม่ใช่วิคิตแบบว่าชีวิตนี้เป็นของเราเป็นตัวตนของเราไม่ใช่แบบนั้นนะแต่คือให้เราเป็นอิสระเหนือกับการครอบงำของกิเลสต่างๆได้อันนี้คือเราภาวนาแล้วมันจะเกิดสภาวะพวกนี้ขึ้นนะเนาะ ก, ก็ก็เป็นการพูดธรรมะนะให้พวกเราได้ได้ยินได้ฟังมัก็เชื่อว่าถ้าใครได้ปฏิบัติเดี๋ยวแล้วก็จะ แต่ก็จะเข้าใจนะเข้าใจแต่ถ้าคนยังไม่ได้ปฏิบัติหรือปฏิบัติแล้วยังไม่เข้าใจก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวนะวันนี้ยังไม่เข้าใจก็ให้ปฏิบัติไปเรื่อยๆก่อนธรรมะมันไม่เข้าใจด้วยการคิดนะถ้าคนคิดธรรมะเข้าใจนะพระพุทธเจ้าบอกไม่ต้องปฏิบัติหรอกเดี๋ยวนะนั่งแล้วก็คิดนะนะคิดตามเดี๋ยววันรุ่งทำพระพุทธเจ้าไม่เคก่อนเลยนะอืม ท่านพระอจารย์สอนนะสอนในอย่างที่บอกว่าเราเป็นแต่เพียงผู้บอกท่านทั้งหลายก็เป็นผู้ที่ทําเองนท่านบอกให้เราท่านบอกให้เราไปทํำ <c oughs> ไม่ใช่บอกให้เราไปคิดใช่ไห ม, มเราเป็นเพียงผู้บอกท่านทั้งหลายเป็นผู้ที่ทํา <c oughs> เมื่อทําแล้วท่านก็เข้าใจเองนั่นก็คือแบบนี้อัน <c oughs> นั้นการปฏิบัติธรรมในภาพของการสุกหาจก็เลยเป็นสิ่งที่สําคัญเนาะ จะพูดให้ฟังตลอดก็ไม่เข้าใจต้องพูดนิดหน่อยแล้วไปทำทำไปแล้วสงสัยรังเลยอย่างไรก็มาแดกเปลี่ยนกั น, น ก, ก็จะได้ค่อยๆแนะนำกันไปเรืเร่อยๆแบบนี้นเนาะก็ฝากไว้ตอนเช้า